22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโควัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่24กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าตือนแล้วต้องฝัง วันนี้เป็นวันที่24กันยายนพุทธศักราช2558วันนี้หลวงพ่อนิมนต์เรียกไปชมเป็นกรณีพิเศษในระหว่างก็เห็นว่าช่วงนี้ว่างจะเป็นห่วงพระเนรูกหลานการเป็นอยู่แต่ถึงยังไง หลวงพ่อเคยย้ำเตือนมาหลายครั้งเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของพระเนนของเราในช่วงเดือนแรกรั่วกลางเดือนรั่วเดือนที่สองโดยมากพระทุกรุ่นพอจะเข้าเดือนที่สองพอจะเข้าเดือนที่สมเนี่ยโดยมากพระใหม่จะแหวกแนวในกลุ่มของเรามีไหม ให้พวกพระเก่าช่วยๆกันดูแล้วกับพระใหม่ด้วยช่วยกันดูกันพวกเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาบวชมาเพื่ออะไรหลวงพ่อได้พูดแต่ที่แรกแล้วหลวงพ่อไม่ได้ขอร้องนะไม่ได้ขอร้องให้พาลูกพระหลานเข้ามาแต่ลูกหลานเป็นผู้สมัครสมัครใจอยากจะมาสมัครใจเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษา เพื่อปฏิบัติต่อหลักธรรมไว้ในต่อศีลธรรมต่อหลักธรรมคำสอนเพื่ออยากจะได้เป็นการบวชเพื่อบุญกุศลเพื่อพ่อแม่บองสาคณาญาติพร้อมหน้าพร้อมตากันเราก็เป็นองค์หนึ่งที่จะมาเข้ามาแล้วจะปฏิบัติตนให้ดีที่สุดในแนวความคิดแต่ที่แรก แต่มาแล้วมันสู้กิเลสฝ่ายต่ําไม่ได้สุดนี้เป็นหน้าเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงพระลูกหลานของพวกเราต่อไปภายภาคหน้าเมื่อท่านเป็นผู้ใหญ่พวกเราเป็นผู้ใหญ่จะไม่เลาะและจะหากฎหาเกณฑ์ได้อย่างไรขนาดที่จะบวชเพียงสามเดือนเท่านี้ก็ยังตั้งกดตั้งเกณฑ์ใส่ตนเองไม่ได้สิ่งเหล่านี้ให้พระลูกผ้าหลานทั้งหลาย ให้ตรวจตราดูตนเองทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเองไม่อยากจะพูดเน้นหนักลงไปว่าองค์ใดใครท่านผู้ใดทําก็รู้แก่ใจว่าเป็นองค์ไหนแต่ข้อต่อไปยังมีอีกอยู่นะหลวงพ่อจะเรียงลาดับจัดเป็นลำดับเข้ามาจะก้าวโกงหกลวงพ่อมา ถ้ากล้าคกหกหลวงพ่อก็แสดงว่านั่นแหละต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อจะไม่ไว้ใจตลอดไปพระลูกหลานองนั้นเพราะลูหลวงพ่อรับลูกหลานมารับด้วยความเต็มใจรับมาด้วยความเห็นว่าลูกหลานจะเป็นคนดีพระลูกหลาน เพนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายที่พวกพ่อพูดอย่างนี้นะควรจะเข้าใจเพราะพวกเราได้รับการศึกษาดีมาแล้วนะหลวงพ่อพูดอย่างนี้เข้าใจคงจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วก็คงจะพูดให้หนักกว่านี้ฮต่อไปภายข้างหน้านะเพราะนั้นให้พวกลูกพระหลานทุกองค์วันนี้หลวงพ่อเองก็ได้รับสื่อพระ ในพระพุทธศาสนาดูๆแล้วก็เป็นที่พิพากวิจาร์กันออกนอกรูนอ ก, นอกทางทำในสิ่งที่ฆราวาิเขาไม่ทำทำไม่อยู่ในสมณณสารูปทำออกไปที่ฆราวติญาติโยมขเขารับไม่ได้เขาเห็นขึ้นมาแล้วอกกระอวนเห็นการกระทำกระทำความชั่วในตัวเองได้อย่างไม่แล้ว อย่างออกไปอีกทางฟงทางเฟสออกไปอีกเอาไปประจานเพื่ออะไรประจานพระศาสนาพระพุทธศาสนาใช่ไหมพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกสอนอย่างนั้นใช่ไหมเราทำไมถึงทำได้ขนาดนั้นเราก็มาเพื่อทำรายทาร้ายทำไ ร, ำรพระพุทธศาสนาใช่ไหมพระพุทธศาสนาเขารักษามาตั้งแต่โบราณ เหมือนการรักษาน้ำให้ใสสะอาดให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาจะได้ศึกษาแล้วก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติชำระกายวาจาใจของตนเองทำให้จิตใจกายวาจาของแต่ละคนมีแต่ความร่มเย็นผาสุขแต่นี้เราเอามาเข้ามาบวชแล้วทั้งถุยน้ำลายใส่ ทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งเอาตีนลงไปกวนทำให้น้ำขุ่นมัวไปหมดเสียหายไปหมดเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าทำด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาหรือทำด้วยความโง่เง่าของตนเองรู้เท่าไม่ถึงการอย่างนั้นใช่ไหมเสี่งเหล่านี้พวกเราได้รับการศึกษาดีทงางครวาัดญาติโยมเราก็ได้รับการศึกษาเรียนรู้ เราควรจะรู้จักว่าอันไหนควรไม่ควรอันไหนสูงอันไหนต่ำอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อกล่าวและสอนอีกให้อยู่ในสถานะเราอยู่ในสถานะไหนขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เราเป็นพระในพระพุทธศาสนาเราเป็นพระของครูบาอาจารย์เราพ่อแม่มอบหมายให้มาบวชในพระพุทธศาสนาเราอยู่ในสถานะไหน เราสมควรที่จะทําสิ่งที่ไม่ควรทํามีที่รับมีที่แจ้งอย่างนั้นใช่ไหมเสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายตรวจตราดูตนเองให้พวกเราท่านทั้งหลายดูดูพวกเราท่านทั้งหลายเองดูเจ้าของเองถ้าคนอื่นดูให้ เ, เดี๋ยวก็จะหาว่าเขาอิดช้าบ้างเขาทําไม่ถูกพูดไม่ถูกบ้าง ตัวเองนะะั่นแหะดูตัวเองจะรู้ได้ฉะ น, นั้นขอให้พวกเราทุกๆองค์นะวันนี้หลวงพ่อเองได้ยินทางสื่อมาก็เห็นแล้วก็อืมเป็นห่ว ง, เ ป, วงปศาศาเป็นห่วงพระพุทธศาสนาเป็นห่วงพระลูกพระหลานในยุคปัจจุบันดูๆแล้วทําอะไรอะไรออกไปเหมือนกับไม่กลัวบาปอากุศลทั้งหลายเหมือนกับว่าไม่เชื่อกรรำเชื่อผลข้องกรรม แล้วจะมาบวชทำไมไม่มีที่อยู่ที่กินอย่างนั้นใช่ไหมอยู่ทางคราวาัตไม่มีที่พึ่งพาอาศัยอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อเมื่อเขามาบวชแล้วทำไมมาทำร้ายทำลายพระพุทธศาสนาบวชมาเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาใช่ไหมสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลาย ตัวตราโอปัญ โ, โกมอง ด, ดูตนเองน ะ, อะมองดูตนเองเอแล้วก็ควรจะในเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมวินัยเราจะไปทาทำไม เ, เราจะไปถุยน้ำลายที่เขารักเคารพนับถือเลื่อมใสในพระพุทธาศาสนาตัวเองเข้ามาแล้วมาทาอย่างนั้นใจ่ไหม มันอดที่ทําแล้วใช่ไหมมันโง่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมทําไมไม่ออกไปทําคารวาสญาตจวงมีอยู่ทําไมไม่ออกไปถ้าออกไปแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรพอออกไปไม่ย่ไรไม่อยู่ในยูนิฟอร์มนี่ถ้าอยู่ในยูนิฟอร์มนี่ควรปฏิบัติตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้ให้พวกเรารู้จักสถานะการเป็นอยู่การดํารงการประพฤติปฏิบัติตน ให้เหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมเป็นวินยัยเพื่อมาให้ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือบเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้รับผิดชอบอย่าให้ท่านผู้ใดหนักใจกับเราอย่าให้ผู้ท่านหนักใจกับเราอยู่กับพ่อแม่อย่าให้พ่อแม่หนักใจเราใหญ่แล้วมาอยู่กับครูบาอาจารย์กดระเบียบวินยัยที่ครูบาอาจารย์แนะนำสัง่งสอน อย่าให้ครูบาอาจารย์หนักใจอย่าให้หมู่พวกเพื่อนหนักใจเพราะเราใหญ่แล้วศึกษามาดีแล้วรู้จักดีรู้จักชั่วมาแล้วรู้จักสูงรู้จักต่ำชิกรู้จักสิ่งควรไม่ควรหรือเราไม่รู้อย่างนั้นใช่ไหมเราโง่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมต่อไปภายภาคหน้าเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรถ้าเราโง่ถึงขนาดนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกลูกหลานทั้งหลาย สัมเนียกและคิดไว้ในใจของตนเองไว้อยู่เสมอนี่แหละท่านหลวงพ่อได้เตือนแล้วเตือน เ, อเตือนให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นพระที่ดีเตือนเอาไว้นะต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่เราจะอยู่ด้วยกันโชวฟ้าดินสลายเมื่อออกไปเป็นคราวาสไปทําการหน้าที่การงานใดพวกเราก็จะได้สํานึกว่าเออในสมัยเมื่อเราบวชอยู่กับหลวงพอ่อนีหลวงพ่อดูด่าว่ากล่าว ให้เราเป็นคนดีให้เป็นอยู่ในสถานที่ได้ทําการทํางานให้เป็นคนดีถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายออกไปเป็นคารวาสนะ่ะอพอได้ทําการทํางานสิ่งที่ไหนสิ่งที่ไหนคนเลวเพื่อนเลวเอพาทําอะไรก็ทําไปพอทําขึ้นมาก็เสียอกเสียใจตัวเองไปทําทำไมตัวเองมันโง่ถึงขนาดนั้นเหรอ เขาชวนให้จับไฟก็จับไฟกับเขาเผลในสุดเขาให้ไปเป็นนายนาทกวกข์ตัวเองเก่งผลงในสุดเขาก็เลยพักเข้ากองไฟพอไฟไหม้ขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละโบกเวกโวยวายอย่างนั้นใช่ไหม เ, เราทําไมไม่เป็นตัวของตัวเราทําไมไม่ดูอันไหนควรไม่ควรคนดีก็เข้ากับคนดีได้ คนชั่วก็เข้ากับคนชั่วได้คนที่มีความรู้แต่ล ะ, ะแขนงคนที่คิดเลขเก่งทางเลขก็เข้ากับคนเก่งทางเลขได้คนทางเก่งทางประวัติศาสตร์ก็เข้ากับคนที่เก่งทางประวัต <ology> ิศาสตร์คนที่เก่งกฎหมายก็เข้ากับคนที่เก่งกฎหมายไอ้คนที่ชั่วมันพอปันกันมันก็เข้ากับคนที่ชั่วได้พวกเราน่ะเป็นยังไง ประเภทไหนดังที่กล่าวมาเป็นไฟที่เข้ากับศีลกับธรรมอย่างนั้นใช่ไหมเรียกว่าเข้ากับสิ่งที่เข้ากับศีลกับธรรมไม่ได้เข้าได้แต่สิ่งที่มันเร็วๆอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคุกคนนะพระนะทุกหลานนะทุกองคนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้ย้ำเตือนให้พวกเราตรวจตรามองการประพฤติของตนเอง ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยสรุปแล้วถ้าอยู่ในหลักพระธรรมวินัยสบายใจสบายตาสบายใจผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผู้ที่เขาทําบุญทําทานเขาจะได้บุญกุศลจากการกระทําการประพฤติอยู่ในศีลในธรรมของเราแต่ว่าพวกเราออกนอกลู่นอกทางไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาไม่อยู่ในหลักธรรมคําสอนของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์กฎระเบียบของวัดแล้วนั่นแหละความหายชนะเข้ามาแค่เอื้เอเผลอจะทําเกิดเรื่องราวขึ้นมาได้ง่ายๆในกลุ่มในหมู่ในคณะของพวกเรานั่นแหละสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็จะเกิดขึ้นพ่อแม่อายขายนาอีกต่างหากตัวเองก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนศึกออกไปแล้วไปเป็นฆราวาสแล้วกับเข้าหน้าหน้าใครก็ไม่ติดจะเข้ามาหาหลวงพ่อก็ไม่กล้า มาหาหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อไม่ให้เข้ามาใกล้นะถ้าเร็วๆอย่างนั้นนะเข้ามาก็จะเสียหายขนาดเป็นพระก็ยังอยู่ในหลักพระธรรมวินัยไม่ได้อยู่ในกฎกติกาเพียงสามเดือนไม่ได้แล้วจะมาเผาผีจี่กระดูกมาวางดอกไม้จันทร์หลวงพ่อโง่ๆนะจะมามาทําได้ยังไงหลวงพ่อไม่ต้องการคนโง่นะต้องการพิกลูกหลานฉลาดแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบ อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเห็นไหมหลวงพ่อพาดำเนินเป็นยังไงลูกหลานเห็นไหมเป็นยังไงที่หลวงพ่อพาดำเนินมาพวกเราเข้ามาศึกษาก็ควรหูตาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดให้สาเนียงว่าหลักธรรมวินัยใ น, ในวัดของเราเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เราจะให้ได้บอกกันเป็นองค์นะจะได้บอกเป็นองค์ บอกวันภาพรวมอย่างเนี้นะให้ได้ให้รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนนะอแต่ต่อไปภายภาคหน้าแม่แน่มกันนะหลวงพ่อจะเอาเป็นองค์ไปเลยจะไหนเมื่อรู้องค์ไหนแล้วนะวันนั้นขึ้นมาแล้วนะไม่ได้ไว้ไม่ได้ไว้ไขอะไรจะไหนพวกเราท่านทั้งหลายนะต้องอยู่นะต้องอยู่ในกฎระเบียบนะอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะหลวงพ่อย้ําเตือนนะหลงพ่อเนี่ย รักพระธรรมวินัยยิ่งกว่าชีวิตไม่รักได้ยังไงหลวงพ่อบวชมาแต่เป็นเด็กเป็นเนนจนถึงปานนีนะ้ฝากหวังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลาทั้งห้าสิบกว่าปีดูสิโลกเขามีความสุขยังไงรู้ไหมแต่หลวงพ่อไม่ได้สน เพราะชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อมอบไว้กับพระพุทธศาสนาเพราะนั้นลูกหลานเข้ามาบวชถึงจะยังไงอย่างน้อยก็ให้เป็นกามาจับภูเขาทองมาอยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็ให้เป็นสีทองเหลื่อมตัวเองบ้างก็ยังดีไห น, นกลับเข้ามาแล้วยังเป็นสีดำปีอีกไปอยู่ในมุมอับไปอยู่ในมุมอับของภูเขาทองอีกต่างหาก ผู้เขาทองไม่ใช่หลวงพ่อนะพระพุทธศาสนานะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะอพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะผู้เขาทองแต่พวกเราไปอยู่ในเหลี่ยมไหนอไปเหลี่ยมอยู่ในมุมอับอย่างนั้นใช่ไหมให้สังเกตตัวเองนะเสียงเหล่านี้นะให้ฟังให้ฟังเอาไว้ให้ศึกษาเอาไว้นะ่ะอันนี้ก็คือกฎระเบียบอแล้วก็สิ่งไหนที่ควรจะ ช่วยช่วยกันทำก็ ช, ช่วยกันทำแต่กิจวัตรข้อวัดผมหลวงพ่อเห็นแล้วก็หลงตาเห็นแล้วก็เออเป็นที่พอใจนะทำความสะอาดปัดกวาดช่วยกันได้ดีมากแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องเนียเรื่องเล็กเล็ก น, น้อยน้อยเรื่องเล่นกันเรื่องสิ่งที่มันไม่อยู่ในกฎระเบียบนิดนิดน่อยน่อยแต่ก็ไม่มากแต่ถึงยังไงไม่ควรจะมี ไม่ควรจะมีมันควรจะให้ปลอดใสสะอาดบริสุทธิ์พอเราเข้ามาบวชในคราวนี้เสียสละทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องวงสาขนาติพร้อมหน้าพร้อมตากูบายจานพระสงฆ์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงพ่อหลวงตาของพวกเรารับหรือความบริสุทธิ์ใจจริงๆอยากจะเห็นพระลูกพระหลานเป็นคนดี อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยอยู่ในศีลและธรรมเนี่ยให้พวกเราท่านทั้งหลายนะต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานนะอยากพูดไม่พูดอยากจะดุโมโหให้ใครอดให้มีขันติในจิตใจสิ่งไหนที่มันดีคิดก็ไม่ควรจะคิดเราจะไปทําได้ยังไงขนาดไม่คิดพูดก็ไม่ควรจะพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง ในสิ่งที่ไม่ไม่เป็นธรรมธรรมคิดธรรมพูดในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นธรรมคิดมาเมื่ อ, อไหรเมื่อเราผ่านไปแล้วเราคิดย้อนหลังเมื่ อ, อไรเออเราสบายใจเพราะเราอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในโอวาทของอของหลวงปู่หลวงตาของหลวงพ่อฮงนี่แหละถ้าพวกเราทําได้อย่างนั้นนะ่ะพ่าลูกหลานนะอ่สบายอกสบายใจไปตลอดชีวิตเลยนะ แต่พวกเราทําไม่ถูกนะมันเป็นแผลของอยู่ในจิตใจตลอดชีวิตเลยนะอถึงจะไปที่ไหนๆก็คิดขึ้นมาแล้วก็ไม่สบายใจในเรื่องตนเองที่จะกระทาไปไปนั้นเพราะนั้นให้พวกลูกพระลูกพาระหลานทั้งหลายให้ประให้อยู่ในหลักพระธรรมนิหน่ยสรุปแล้วนะแล้วก็เรื่องภาวนาการให้พวกพระลูกพหลานตั้งใจภาวน า, อ, าอดอาหารก็เหมือนกัน อย่าไปจับกลุ่มกันอย่าไปเอาน้าอะไรไปกินหลวงตาบอกแล้วมาฉันอยู่ที่ศาลา น, นี่น่าจะเพียงพอแล้วไม่น่าจะขนไปที่กุฏิใครขนไปมีไหมบวชเข้ามาเพื่ออะไรมาอยู่ในกฎระเบียบแล้วมาอยู่มากินมาสังสมอย่างนั้นใช่ไหมมีไหมถ้ามีบอกนะบอกหลวงพอ่อ ใครเห็นแล้วไปจับกลุ่มคุยกันมีไหมถ้าไปจับกลุ่มคุยกันเหมือนกับปินกินเลี้ยงไปขวดน้าส้มน้ำดื่มไปวางไว้แล้วก็ น, นั่งคุยกันเหมือนกับั่างนั่งกินเหล้ากินเบียร์อย่างนั้นมีไหมพระในวัดเราขนาดนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเห็นบอกนะข้าไม่ได้เลือกว่าใคร ใครผู้ใดใครผู้หนึ่งละ่ะ อ, อ, อยู่ในกฎระเบียบของข้ากฎระเบียบของวัดถ้าไม่อยู่ในระเบียบของวัดจะอยู่ทำไมหลีบออกนะไม่ว่าพรรษาหนอกพรรษาไล่ออกได้ทั้งนั้น เ, เพราะทำไม่อยู่ในกฎระเบียบสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ฟังไว้ให้ดีอย่าทำถ้าขืนทำต่อไปนะ ได้ยินไปถึงไหนอายไปถึงนั้นพราะมันมากเนี่ยหลวงพ่อวิตกกังวลแต่ทีแรกแล้วเรื่องรับพระมากๆเนี่ยนะพระใหม่กับพระเก่าควรจะเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะแต่ตอนนี้ตรงนั้นหลวงพ่อเตือนมันผิดไหมพอหลวงพ่อเคยเห็นมาก่อนก่อนหลวงพ่อก็เตือนตามที่เคยเห็นมาก่อนพอั้นมาถึงยุคนี้ลูกพระถูกพระหลานรุนลูกรุนหลานรุ่นนี้หลวงพ่อก็เตือนเอาไว้อีก ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเตือนเอาไว้หรือมันมีแล้วหรื อ, อยังไม่มีแต่หลวงพ่อกลัว ม, มันจะมีมันมันมากเพราะนั้นกลัว ม, มันจะมีก็เตือนไว้ก่อนไม่ใช่ว่าวัวหายแล้วยะค่อยมาล้อมคอกล้อมคอกไว้ก่อนล้อมคอกไว้ก่อนที่ วัวมันจะหายกันไว้ก่อนดีกว่าแต่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินแล้วห่างคงจะดไม่สบายใจแต่ถ้าว่าพูดที่ไม่ทำไม่ควรจะไม่คาว่าไม่สบายใจไม่ควรจะมีเพราะอันนี้เป็นการกล่าวย้ำเตือนแต่พูดที่ทำแล้วน่มีไหมถ้ามีแล้วน่ะหยุดถอยใครจะก้าวําลังจะก้าวไปจุดนั้น ให้รู้เอาไว้อันนี้คือกฎเหล็กกฎกฎติกาของพระธรรมาฐานอย่างหลวงพ่อหนะลวงพ่ออินฟังนะ่อหลวงพ่ออินอคำว่ารูปหน้าปะจมูกไม่มีถ้าว่ามันผิดแล้วใครก็ตามถ้าผิดหลักพระธรรมวินัยแล้วไม่ได้ผิดต่อหลักพระธรรมวินยัยเราเคารพในหลักพระธรรมวินยัยลักสินยิ่งกว่าชีวิต เพราะนั้นผู้ใดก็ตามเข้ามาบวชแล้วหลวงพ่อบอกต้องยดุดต้องปฏิบัติตามนี้พวกเราก็ต้องเชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังจะอยู่ไปทาไมจะอยู่ไปทำไ ม, ใ, ไำไมในเมื่อเราไม่ฟังเนี่ยนะหลวงพ่อก็ไม่ต้องการลูกหลานเช่นนั้นเหมือนกันนะลูกหลานนะฟังเอาไว้นะ <c oughs> อันนี้คือกฎระเบียบการอยู่การฉัน พราตอนเช้าอาหารการบริโภคหลวงพ่อก็มองเราแล้วเหลือเอฉันที่พวกเราจะเก็บอาหารยังไงเอาไว้ในบาตรตอนเช้าเราฉันกับเฉินอะไรกแ็แล้วไปเราจะไปถืออะไรถื อ, อเราไม่ได้มาบวชเพื่ออยู่เพื่อกินเรามาบวชเพื่อบําเพ็ญกระลุกอยู่แล้วมาภาวนามารักษาศีลมาอยู่ในกฎระเบียบหลักพระธรรมวินยัย แต่หลวงพ่อก็เตือนแัแต่ที่แรกตอนก่อนบวชแล้วตั้งแต่เป็นนาคแลบวชลูกหลา น, นตั้งอกตั้งใจบวชนะให้เป็นบุญเป็นกุศลนะพอบวชเข้ามาเพื่ออุทิศ ต, ต่อผู้มีอุปกรารคุณของเรานะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นตระกูลของเรานะเราบวชมาเพื่อสร้างคุณงามความดีนะบำเพ็ญถึงจะยากลําบากยังไงก็ตั้งใจภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆ ให้ยืดแนวแถว่วพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินนั่นแหละจะเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเราทำผ่านไปแล้วนั่นะเราจะภาคภูมิใจในตัวของเราที่เราเข้ามาบวชเราได้ปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามแนวแถวที่หลวงพ่อที่เป็นเจ้าของโครงการหรือเป็นเจ้าของวัด หรือว่าพ่อแม่ของเราที่ได้มอบหมายมอบฝังให้พวกเราเข้ามาบวชพอเรานึกทุกขั้นตอนเราก็สบายใจแต่พวกเราทําให้ถูกไม่สบายใจนะออตรงพ่อเคยได้ยินอพระไม่ใจวัดเรารอถูกข้างนอกเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูอีกตั้งหากพอบวชเข้ามาเราไปหาต้มะมามากินะ ภาคภูมิใจมาอย่างนั้นลูกหลานออกไปเป็นครวาสอะไเงี้ยพระมาม่าครูมาม่าพอเขาพูดขึ้นมาเมื่อไหร่อายเขาเมื่อนั้นทั้งที่บวชเข้ามาเพื่อจะเป็นบุญเป็นกุศลบวชเข้ามาแล้วทำได้เพียงแค่นั้นเหรอแล้วมันมากกว่านั้นไปอีกมันไม่ใช่แต่มาม่ า, มาแห่งบางแห่งพอนั้นหลวงพ่อเองจึงเตือนลูกหลานของหลวงพ่อ ยานะยาทำนะลูกหลานนะเป็นพระที่ดีนะอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะอยู่ในกรอบในโอวาทของครูบาอาจารย์นะอยู่ในโอวาทของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานนะหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ต่างๆนั่นแะตระ ก, กูลของพวกเราที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสเจ่นในเข้ามาบวช ในมาบวชออกม า, มาบวชเข้ามาแล้วเนยะทําตนไม่ดีเนีออกนอกลูก่นอกทางเป็นลูกแวกแนวหลานแวกแนวอตัวของเราแวกแนวจากตระกูลใช่เอเป็นมงคลหรือยังเป็นมงคลแล้วใช่ไหมหรือไม่ไม่เป็นมงคลถ้าไม่เป็นมงคลเราก็ไม่ควรจะทํานะอันนี้ก็คือกฎระเบียบการเป็นอยู่ แล้วเรื่องจิตภาวนาก็ให้ตั้ง อ, อกจังใจภาวนาถ้าองค์ไหนมันหิวทำไมาฉันทำไม่เห็นกดทดลองอดดูสิอดอาหารดูเป็นไงวันสองวันภาวนาดูตั้งจิตอธิษฐานเลยข้าพรเจ้าจะให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในการบวชในการภาวนาในครั้งนี้ในอดอาหารในครั้งนี้ เราไม่ต้องไปคุยกับใครแล้วก็ น, นั่งกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกโทพุธโทพุทโทจะเดินเยืนยืนเดินด น, ด น, นั่งนอน อ, อยู่ในกุฏิของตนเองให้มีสติอยู่ตลอดเวลาให้เขาบอกตั้งคิดอธิษฐานเลยข้าพเจ้าจะให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดจะภาวนาเป็นหรือไม่เป็นยังไงเราไม่ได้คิดเพียงตัวให้สติอยู่กับตัวเอง เท่านั้นแหละนี่แหละคือการเริ่มต้นเบื้องต้นตั้งหลักฐานขึ้นมาในเมื่อเราพยายามทําอย่างนั้นหลายครั้งต่อหลายหนใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้เมื่อจิตกระใจเข้าสู่ความสงบได้นะั่นเป็นพื้นฐาน น, ะนั่นแหละเราจะรู้รสรู้รู้คุณค่าในการบวชของเรารู้คุณค่าของพระพุทธศาสนา รู้คุณค่าพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้คุณค่าของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเรามีแต่เข้ามาหลอๆเลยแหละออกมากันออกนอกลู่นอกทางอย่างนั้นมันเข้ามาเพื่ออะไรทําร้ายทำร้ายใช่ไหม เ, เหยียบย่ำใช่ไหมมาขี่มาเลี้ยวมาเยี่ยมมาลดมาทําลายทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนั้นใช่ไหม ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เจตนาไหมเสียหายไหมถ้าไม่เจตนาเสียหายไหมเสียหายก็เหมือนกับเราเวี่ยงค้อนไปไม่ได้คิดว่าเจะให้มันถูกหัวใครแต่ค้อนน่ะมันไปถูกหัวเขาเข้าไม่เจตนาผมไม่มีเจตนาที่จะเวียงค้อนให้ถูกหัวหัวคุณแต่คุณไปหลบอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นค้อนเลยไปถูกหัวเจ็บอยู่เหรอผมไม่มีเจตนาจะ ให้คุณเจ็บนะเป็นยังไงเสียหายไหมเพื่อเผอตายอีกต่างหากทำค้อนมันหนักนะนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละสิ่งไหนที่ก็ตามถ้าดูแล้วมันไม่ถูกต้องอย่าทำํำไม่เจตนาอย่างไงก็เจตนาไม่เจตนาอย่างไงเราก็ควรจะงดรู้แล้วสิ่งที่มันไม่ดีรู้ไหมดีไม่ดีได้ยินไหมได้ยินเสียงห้ามไหม นี่แหละให้พวกลูกพระลูกพระหลานทั้งหลายนะภาวนาสำหรับพระเก่าก็เหมือนกันอย่าไปอมลิ้นอยู่เฉยๆไม่ได้นะเป็นหูเป็นตามองดูทุกข์ถึงน้องๆทั้งหลายพอพวกเราบวชมาในพุทธศาสนาต้องปกป้องพระพุทธศาสนายิ่งกว่าชีวิตใครจะมาทำลายทำลายพุทธศาสนาพวกเราต้องรักษาน้ำใสสะอาดเอาไว้ ใครจะมาเกี่ยวมาถมน้ำลายใส่นี้พวกพาะตุ้นพี่กันอมลิ้นอุ้นหลุมลิ้นอมฟันเฉยๆไม่ได้นะต้องช่วยกันดูปกป้องหลักพระธรรมคําสอนเรารักษาช่วยกันรักษาแต่ไม่ใช่ว่าร้าวรานให้ทราะวิวาทกันหรอกถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เตือนถ้าเตือนไม่ได้ไม่ฟังเนี่ยตะวงพ่อเป็นหัวหน้า หลวงพ่อเนี่ยเป็นหัวหน้าไม่ได้นะท่านนะกูบานะอาจารย์นะแต่ถ้าทําอย่างนี้นะผมจะต้องเรียนหลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่อเป็นผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้านะไม่ว่าใครทั้งหมดนะหลวงพ่อจะเรียกมาถามเป็นอย่างที่เขาพูดเขากล่าวไหมหลวงพ่อจะไม่ดุด่า ว, ว่ากล่าวทีเดียวนะหลวงพ่อจะถามด้วยเหตุผลนะ ในเมื่อเหตุผลมันลงเอยกันแล้วนะ เ, เมื่อเราทําตัวไม่ดีไม่ได้ดังนั้นผมทําตัวดีในในหมู่ในคณะในหลักวัฒนธรรมนี้ไม่ได้อแล้วจะทํายังไงหลวงพอ่อเอาถ้าทาไม่ได้ก็ต้องออกไปซะออมาตรงลักษณะอย่างนั้นถ้ามาทําตัวดีได้รปรปับปรุงแก้ไขนะอย่าไปทําอีก ทำให้มันดีๆเพราะมันก็ไม่นานไม่กี่วันทําดีขนาดนี้ไม่ได้ในเมื่อเราเป็นคราวาสเราเมื่อเป็นข้าราชการ่ะเผลอ ๆ, ๆโดนเขาไล่ออกได้ไง่ายๆนะเพราะตัวเองไม่เป็นไม่เป็นตัวของตัวเองยังไม่รู้จักอันไหนควรไม่ควรดีชั่วยังปรับตัวเองไม่ยังไม่ได้ไม่ดีนะ ฟังเอาไว้นะลูกพระลูกพระหลานทั้งหลายนะอันนี้หลวงพ่อเนะี่ยเกิดมานานเตือนลูกหลานสรุปแล้วก็ให้ลูกหลานเป็นพระที่ดีไม่มีอย่างอื่นนะพอหลวงพ่อเห็นอย่างที่ได้พูดได้พูดได้กล่าวมานะนะั้นเออทาไมพุทธศาสนาลูกหลานทั้งหลายจึงหยาบโลนขึ้นไปเรื่อยๆดื้อด้านเข้าไปเรื่อยๆไม่กลัวนรก ถ้าไม่กลัวความชั่วเฉลยไปยักสถานใด่ ไ, ไม่รู้จกาานะักศาสนาไปอยู่ในสำนักเขาก็ทําให้เสียสำนักไปอยู่ในพระพุทธศาสน า, ษ า, ษ า, ษาก็ทําให้วงการพุทธศาสน า, า, าเสียหายทําไมมันทําไมทําไมเป็นอย่างนั้นฮะ หลวงพ่อตอนเช้าพยายามบอกกล่าวให้แนวความคิดความรู้กับพาลูกพาร้านทั้งหลายให้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนยกเรื่องนั้นมายกเรื่องนี้มาก็เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้นะและให้ลูกหลานได้ได้ฟังถ า, าไม่ได้ถ้าลูกหลานไม่ได้ยินได้ฟังจะเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดมองไม่เห็นทาง แต่ขนาดลูกหลานได้ฟังแล้วไม่ใส่ใจเหมือนกับศาสตร์น้ำใสหลังหมาสาสตร์ใจแล้วก็สะบัพดพืชมันก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ต่อไปเมื่อศาสตร์อาบน้ําเสร็จหล้างหมาแล้วยังไม่ยังไม่ใส่ใจเนี่ย น, นะต่อไปไม้เหลียวได้ปัดไม้เหลียวเส็หลังหมานะเอามันเสียงหลงไปเลยนะ ปัญใ <c oughs> น, นพวกเรานะเข้ามาคราวนี้เพื่อมาอะไรมาภาวนาชีวิตของพระกรรมฐานคือให้ภาวนาตอนนั้นแหละมาทําจิตใจให้สงบมาจิตใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อเราทําภาวนาจิตใจของเราเป็นหนึ่งเออจิตใจแน่วแน่จิตใจเป็นหนึ่งนะเป็นไปเป็นคารวะก็เป็นผู้หนักแน่น เป็นผู้มั่นคงเป็นผู้มีเหตุมีผลจะทำสิ่งไหนมีกฎมีเกณฑ์กับตนเองสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกอันนี้ไม่ควรนะถึงอยากจะทำก็ไม่ทำเพราะเราเพราะเราเคยฝึกมาแล้วนะดูแล้วมันไม่ถูกนะหยุดไม่ทำไม่เอาเออนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายฝึกเรื่อง เ, ออเข้ามา เพื่อทําเบรกให้กับรถของตนเองเบรกก็คือเนี่ยสติห้ามล้อในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องเหยียบเบรกทันทีนะหยุดอย่าทําทําในสิ่งที่เป็นธรรมจึงทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่างนั้นก็เ น, นี่ยนะเรื่องภาวนาในสําคัญ ไม่มีอย่างอื่นหลวงพ่อไม่อยากจะแนะนําอย่างอื่นนอกจากให้ให้มีสติเมื่อการอดอาหารก่อนถามเดินลงไปจากศาลาเมื่อฉันจังหันเสร็จแล้วกว่อตามอย่าไปยืนคุยกันจะไปเดินคุยกันหลวงพ่อเคยโดนหลวงตาด่ามาแล้วนะเรื่องเนะี้หลวงพ่อเดินเลี่อนเรียงคู่เดินกับพระพลังไปเจอหลวงตาเจจ่าเอพอดี อย่าให้ได้เห็นอีกนะท่านนะไม่ใช่เจ้าชายหนุ่มหญิงสาวจะไปหาดืนเลียงคู่กันคุยกันอย่า น, นอย่าให้เห็นอีกนะถ้าหเห็นอีกคราวหน้านะหนีจากวัดนะไล่หนีจากวัดนะเข้าใจไหมนั่นแหละหลวงพ่อยังจำไม่ลืมตรงไหนที่หลวงพ่อยืนคุยกันเดินไปนี่หลวงพ่อจำกระทั่งจุดกระทั่งทุกวันนียตรงนั้นที่วัดป่าบ้านตานั่นแหละ สิ่งล่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะหลวงพ่อได้ศึกษามาแล้วแต่หลวงพ่อจะนํามาพูดให้ฟังหรือไม่มาพูดแต่พอมันมาสัมผัสหลวงพ่อก็พูดให้ฟังให้พระลูกพระหลานได้ศึกษาไม่ใช่แนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนอยังไงท่านดูพระเนนพระเนนของท่านนะนี่แหละเมื่อหลวงพ่อได้ศึกษาได้ฟังมาแล้วนะหลวงพ่อก็นํามาบอกมากล่าว ให้กับพระลูกพระหลานผู้ใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้จะได้นำไปปฏิบัติเวลาเดินเดินกับภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยถ้ามีโอกาสก็คุยกันเป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่จะเดินคุยกันไ ม, ไ, มากกาไม่รู้จักกาละเทศะไม่รู้จักสถานาวะว่าข้าเป็นใครเราเป็นพระใช่ไม สิ่งเหล่านี้นะให้พวกเราทันทั้งหลายได้ฟังเอาไว้นะพาลูกพหลานทั้งหลายนะแต่หลวงพ่อเองจะไม่เน้นย้ำสำหรับพวกเราในพรรษาเนี่ยมีแต่ว่าตั้งจิตอธิษฐานข้าพ เ, เจ้าจะมีสติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดเพียงแค่นี้นะพอให้อยู่กับลมหายใจเข้าหรือให้การก้าวเดินกับ ขาเก้าเดินายขาขวาพุทธขาซ้ายโถหรือว่ากาหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถนี่แหละแต่ว่าตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นจริงจังถ้าเรามีตั้งจิตอธิษฐานแล้วน่ะให้จริงจังนะหลวงพ่อมั่นใจถ้าเรามีความนั่นนะมันไม่เกินสองสามวัน บังคับเลยให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกบังคับให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเราเคลื่อนไหวเรื่องอะไร เ, เรื่องที่มันคิดไปคิดทําไมมันได้อะไรในขณะที่เรามาอยู่เนี่ยทํามันเสียหายมันจะเสียหายขนาดนั้นเถอะเราไม่คิด เ, เ อ, อเรามาภาวนาเขาเนี่ยเรามาเรียนหลักหลักวิชาสูตรหนึ่ง เอในขณะที่เรากําลังเรียน อ, อีกสูตรหนึ่งวิ ช, ชาหนึ่งในตัวของเราในขณะนี้สามเดือนเนี่ยเดือน ก, กว่ากเนี่ยเดือนหนึ่งมันผ่านไปแล้วเนี่ยเดือนครึ่งมันผ่านไปแล้วเนี่ยเกือบจะสองเดือนแล้วนะอีกเดือนเดียววัเนเดือนกว่ากไม่กี่วันเอาเ้าเข้าไปเจ้าจะอยู่ในสติอย่างเดียวไม่ให้เผลอกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอแล้วกัการเดิน เอาเถอะในขณะที่มาทำกิ จ, จวัตรข้อวัดในศาลาหมู่พกเพื่อนครูบาอาจารย์มันอาจจะเผลอบ้างแต่วันไหนที่เราอ ด, อ, ดอาหารตามลำพังอยู่ตามลำพังนวันนั้นะ่ะข้าพเจ้าจะตั้งจิตอธิษฐานไม่ให้เผลอให้อยู่กับตัวเองอยู่ตลอดสติสัมปชัญญะคำนี้นะนะจะให้พระลูกพระหลานให้เข้มแข็งอย่างนั้นทดสอบทดลองดูนะหลวงพ่อเองมั่นใจ ตักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าการเป็นอยู่ของพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีถึงท่านในชั้มเ็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็กดีก็ตามท่านบอกว่าอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานาสติกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ายังเป็นผุุ้ชนยังมีกิเลสอยู่ถ้าว่าท่านผู้ใดอยู่ในลมหายใจเข้าออกมีสติสัมปชัญญะอยู่กับลมหายใจเข้าออก ของตนเองมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้โดยง่ายถ้ามีสติอยู่กับตัวเองนี่แหละสรุปแรกก็คือพื้นฐานอันดับแรกก็คือนะสมาธิตุดจุดนี้แหละสมถะจุดนี้แหละให้มีสติอยู่กับจุดนี้นะคำว่าสติสัมปะชัญญะในจุดนี้ที่ว่าหลวงพอ่อเรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานคือตั้งใจมั่น อไม่ให้เลาะแหล่ถ้ามันเลาะแหล่โรคเลกโครเลแล้วมันเป็นอะไรมันไม่ได้ทั้งนั้นแหละแล้วเขาว่าตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานคือตั้งใจมั่นคือมุ่งมั่น เ, ออเรามาบวชคราวนี้เพื่ออะไรออถ้าว่าเราไม่มุ่งมั่นไม่ตั้งใจมันไม่ได้อะไรนะเปล่าประโยชน์การบวชมาออพราะมันเปล่าประโยชน์ขึ้นมาออกไปทางนอกลูก่นอกทางหลยทีเดียออกไปในสิ่งที่กูบายจารย์ คณะสง์กฎระเบียบไม่ให้ทำมันก็ออกไปทางที่มันกิเลสพาไปนะกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะนะมันพาไปออกนอกรูกนอกทางแห ล, นะละนี่ดังนนให้พวกเราทุกๆุ ท, กท่านนะูกหลานทุกองนะพระเนรทุกองนะมมุม่งมั่นตั้งใจนะให้ตั้งจิตอย่างที่ว่านะถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนัติสันติป ร, รังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราจะได้ ร, ริมรถแห่งความสงบที่พวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะเอาวันนี้เอาตอนนี้ก่อนนะต่อไปนั่งสมาธิต้อก่อนยังค่อยเลิกกันเป็นการฝึกซ้อมอีกส่วนหนึ่งเหมือนกัน